มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคธรรมสัน ต, ติปัญหาที่หนึ่งถามว่า มนุษย์และสัตว์เมื่อเดิมเกิดเป็นอย่างหนึ่งครั้นจเจริญวัยกลายเป็นอย่างอื่นไปหรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัถปริสนาแก่พระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ามนุษย์และบุรุษหญิงชายฝูงสัตว์ทั้งหลายสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดี หาเท้าไม่ได้ก็ดีครั้นเกิดมาในโลกนี้ถ้าว่าเป็นชายเมื่อยังเป็นทารกอยู่ครั้นเจริญวัยใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นชายอื่นไปถ้าว่าเป็นสตรีก็เป็นสตรีอื่นไปถ้าเป็นสัตว์สองเท้าก็กลายเป็นสัตว์สองเท้าอย่างอื่นไปถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าก็กลายเป็นสัตว์สี่เท้าอย่างอื่นไปถ้าเป็นสัตว์หาเท้าไม่ได้ ก็กลายเป็นสัตว์หาเท้าไม่ได้อันอื่นไปที่มีเท้ามากก็กลายเป็นสัตว์มีเท้ามากอันอื่นไปอย่างนั้นหรือประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสมบัติอันว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งบวงเกิดมาแล้วจะได้กลายเป็นอื่นไปนั้นหาไม่ได้ ฝ่ายมนุษย์นั้นที่เกิดมาเป็นสตรีผู้นั้นก็เป็นสตรีที่เกิดมาเป็นบุรุษผู้นั้นก็เป็นบุรุษจะว่าด้วยสัตว์เดรัจฉานเล่าก็เหมือนกันเกิดมาแล้วเป็นนามเป็นรูปสิ่งหนึ่งและจะกลายเป็นนามรูปอื่นหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละนครมีสุนทรพระราชองค์การตรัสว่า โยมยังสงสัยนิมนพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดังบพิษพระราชสมภารชนี้เมื่ อ, อยังเป็นทารกแรกประสูตินั้นพระกำนันนางน่มเชิญให้บรรทมหงายอยู่บนพระที่พระยี่พู้ณพระอู่ทองแต่เมื่ อ, อยังเป็นทารกอยู่นั้น ครั้นทรงพระจเจ้าริญมาคุ้มเท่าบัดนี้นี่เป็นมหาบพิษนี้หรือว่าเป็นอื่นไปพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสว่าเมื่อเป็นทารกอยู่นั้นก็เป็นทารกอยู่ครั้นจมรริญมาก็เป็นอื่นไปจะได้เรียกว่าทารกนั้นคือโยมนี้หามิได้เมื่อเล็กอย่างหนึ่งเมื่อโตอย่างหนึ่งตกว่าเกิดมาแล้วเมื่อเป็นทารก มีนามรูปอย่างหนึ่งครั้นจำเริญใหญ่แล้วก็เป็นอื่นไปกร น, นีแหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรว่าถ้าบ่อพิษพระราชสมภารตรัตชนีมารดาของมนุษย์บุรุษสตรีก็ดีเมื่อแรกเกิดในกาลละก็เป็นอื่นเมื่อกาลละค้นเข้าเป็นอมพุทะมารดาก็จะเป็นคนอื่นเมื่อจะเป็นชิ้นมังสัง มานดาก็จะกลายเป็นอื่นเมื่อตั้งคณะเป็นเนื้อแน่นตราบเท่าแตกเป็นปันจสาขากายาบริบูนั้นมานดาก็จะกลายเป็นอื่นเป็นอื่นไปทุกทีตราบเท่าออกจากคันมานดายังเป็นทารกอยู่มานดาก็จะกลายเป็นมานดาอื่นครั้นจำเริญใหญ่มานดาก็จะกลายเป็นอื่นนี่มานดาก็ยืนอยู่ผู้เดียว มิได้กลับไปเป็นอื่นถ้าจะถือว่าตัวกลายเป็นผู้อื่นแล้วนับถือไว้ว่าเป็นมารดาทำไมอันหนึ่งเล่าเรียนศิลปศาสตร์ไว้แต่น้อยครั้นใหญ่โตแก่เท่าไปศิลปศาสตร์ที่เล่าเรียนไว้ก็จะมิพลอยกลายตามกายแก่เท่าไปด้ือหรือก็เมื่อเปล่าทีเดียวฉะไหนจึงจะมาทรงพระดาริผิดไปชนีเล่าขอถวายพระพร ฝ่ายพระเจ้ามิลินปินประชากรจิงตรัสว่าเมื่อเป็นไปอย่างนี้เล่าพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นเป็นการยจงวิสัชนาไปในการบัดนี้พระนาคเสน จ, จิงมีวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหาศาลเปรียบปานเหมือนอาตมาชนี้และเมื่อยังเป็นทารกอยู่ก็ตัวอาตมา ครั้นว่าจะเรรญใหญ่มาก็ตัวของอัตมาจะได้กลับกลายเป็นอื่นหาไม่ได้เมื่อบอพิษตรัสว่าเมื่อน้อยน้อยเป็นผู้นี้เมื่อใหญ่เป็นผู้อื่นก็ถ้าเมื่อเล็กนั้นตีนด้วนหัวด้วนปากฉีกจมูกแหว่งก็ดีถ้าใหญ่ขึ้นกลายเป็นอื่นได้ก็จะกลับกลายมีกายเป็นปกติหาตาหนิไม่ได้นี่แหละ รูปเข้าใจว่าแรกเกิดเป็นสตรีก็เกิดเป็นสตรีเป็นชายก็เป็นชายถึงมาดว่าอุปโตพยัญชนะกะที่ข้างขึ้นเป็นชายข้างแรมกลายเป็นสตรีนั้นก็ดีดวงจิตก็ดวงเดียวรูปก็อันเดียวนั้นจะได้เป็นอื่นหาไม่ได้เช่นอาตมาชนี้เมื่อน้อยก็ตัวอาตมา เมื่อใหญ่จนได้บรรพชานี้ก็ตัวอัตมาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงตรัสประพาทว่าโยมนี้สงสัยนี่มืนพระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมยให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารปานประดุดประทีปอันเดียว บุคคลตามไว้แต่หัวค่ำจนรุงร่งจึงใส่ไส้เติมน้ำมันไว้ไปกว่าจะรุง่งตามไว้เมื่อปฐบมยามนั้นจะเป็นประทีปอื่นหรือว่าในมัชชิมยามมิใช่ประทีปนั้นเป็นประทีปอื่นหรือว่าในปัจชิมยามล่วงแล้วมิใช่ประทีปนั้นเป็นประทีปอันอื่นหรือประการใด พระเจ้ามิลินปินสา克拉ะนะครจึงมีพระบวรราชองค์การตรัสว่าจะเป็นประทีปอื่นหาไม่ได้ประทีปในปฐมยามตามไว้ก็เป็นประทีปอันนั้นเมื่อมัชิมยามตามอยู่ก็ประทีปอันนั้นเมื่อปัจฉิมยามตามไว้ก็ประทีปอันนั้นจะได้เป็นประทีปอันอื่นหาไม่ได้พระนาคเษนเจ้าจึงซักถามว่า เพราะเหตุอะไรเล่ามหาบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การแก้ว่าเพราะเหตุว่าประทีปอันเดียวตามไว้พระนากเกษสนถวายพระพรว่าประทีปอันเดียวตามไว้มิได้ ก, กลายเป็นอื่นไปยะถามีครุวนาฉันใดก็ดีธรรมสันตติ สืบสายแห่งรูปประทมนามธรรมของสัตว์ที่เกิดมาด้วยจิตปฏิสนธิคือจิตเกิดมานั้นและสืบสายแห่งรูปประทมนามธรรมนี้เดิมเมื่อยังไม่ปฏิสนธิคือยังไม่เกิดมานั้นเมื่อจะบังเกิดเมื่อจะดับก็ดีทำอันอื่นจะเกิดก็ดีทำอันอื่นจะดับก็ดีครั้นปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นรูปประทม กับนามธรรมนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันสัตว์ที่เกิดมาด้วยจิตปฏิสนธินั้นจึงจะจำเริญใหญ่แก่เท่าไปประการใดก็ดีณนะจะอันโยจะได้เป็นจิตอื่นรูปอื่นหามิได้คือปัจฉิมวิญญาณจิตจิตแรกปฏิสนธิเกิดมานั้นจะได้เป็นสัตว์อื่นจิตอื่นหามิได้ ก็จิต ด, ดวงเดียวเมื่อเกิดนั้นเหมือนประทีปดวงเดียวตามไว้ตั้งแต่ปฐมมยามตราบเท่าปัจฉิมมยามนั้นขอถวายพระพรขณะนั้นพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระบวรราชองการตรัสว่าปัญหานี้โยมยังสงสัยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมให้พิญโยภาวะยิ่งไปกว่านี้ พระนาคเษนจิงถวายอุปมาสืบไปอีกเล่าว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหาศาลขอถวายพระพรเปรียบปานประดุดน้ำนมโคที่บุคคลรีดแล้วใส่ภาชนะขังไว้นานเวลาการล่วงไปก็กลายเป็น ท, ทัติแล้วนานเข้าก็เป็นนวานิสเป็นเปรียงไป ก็คนทั้งหลายจะเรียกอย่างไรจะเรียกว่านาวานิทใช่น้นททํา น, นมทัิใช่น้ํานมเปรียงใช่น้ํานมจะเรียกชนี้หรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีตรัสว่าหามิได้เขาไม่เรียกอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าน้ํามนมนาวานิทนมททินมเปรียงอาศัยน้ํานมเดิมนั้น พระนาคเกษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีธรรมสันตติคือสืบต่อเป็นรู ป, ปรธรรมนามรธรรมตั้งขึ้นเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นจิตแล้วจะจำเริญไวยใหญ่โตแก่เท่าไปประการใดก็ถึงซึ่งคงเรียกว่าจิตแรกเกิดนั้นจะเป็นจิตอื่นจะเป็นผู้อื่นไปหาไม่ได้ อุปมาิดุดนมโคอันกลายเป็นนวณิตเป็นเปรียงนั้นใช่อื่นคือนมนั่นเองขอบอพิษพระราชสมภารจงทราบ พ, พระยานเถิดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ฟังก็ยินดีปรีดามีพระราชองการตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณนี้สมควรกับปัญหาในการบัดนี้ ธรรมะสันตติปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้